สิบนาทีต่อไปนี้นาทีต่อไปนี้สํานักงาน ปปส. มอบให้คณะ 80 5 2550 รวมพลังไทยพลัง ร่วมเทิดทายองค์วรการปลายฟ้าเป็นชื่อ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 ต่อไปนี้ขอ กลับมาเรียนจะรู้เรื่องหรอเชื่อดิเดี๋ยวก็กลับไปใช้อีกลบเถอะครับถึงลูก บอกสลายที่ปลายฟ้าตอนที่ 15 ความ ได้ถูกแทนคุณขอ ว่าเสี่ยจิวน่าจะเกี่ยวข้องกับยา ใบประกาศแผ่นพับใบๆ <c oughs> ลูกสาวคนสวยของเสียจิวสาวคนสวยของเสี่ยจิวผมว่าเค้าอาจ ฤเป้ก็หึอะไรนะคะครูใหญ่ปะๆๆนี่ก็ ยังไงค่ะแม่อีตาครูใหญ่นี่ยังลื่นไหลไปได้ทุกทีหวาน พ่อแม่รู้ว่าแกจะต้องหาคําตอบเองได้ห๊ะนี่ถอยมาจากหน้าต่างดีกว่าไม่รู้ว่าหมามันหาวอะไรราว ทำไมรอให้ถึงเช้าไม่ได้นะหื้อใหญ่หวาน เป็นอะไรมากอยู่ตลอดครับคุณหมอทําไมถึงได้สั่น โถฉันจะแกล้งแม่ทําไมล่ะ ขว้างควานหินมาถ้าจะขว้างลูกไอ้ มันยิงไล่พวกนักเลงที่มันมาคว้างนะ แต่นี่เห็นเพราะเรามีความห่วงกันมีความรักและสามคีพอได้ยินเสียงปืนดัง เลยแม่เราต้องรวมตัวกันไว้ใครหักได้น่ะจริงจะ พวกเราได้ขนดิบ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 เกือบพังไม่หวังถูกพี่กันจ้อนด่า ฉันไงจอดไปคุยแสงด้วยกันแกล้งเอาหิน ที่พวกเอได้ยินว่าใครยิงใครหรือว่า 2 คนเนี่ย เปียก็สั่งอยู่แล้วว่าอย่ามีเรื่องกับ ใครจะมาสู้ยาวิเศษของเราได้วะจริงมั้ยจ๊อต ทำแพ้จ๊ะมามานี่มานี่ปล่อยแขนฉันเดี๋ยวนี้นะจะบ้าหรือไงคุณกิมจู แหวนมาอยู่ข้างหลังฉันนี่คือสาวจอดถอยชลึ่งทําให้ไก่ตื่นได้นี่ถ้า แต่ค่าน่ะต่อให้ แต่กาว่าเมื่อคืนมีเรื่องตื่นเต้นจนหน้าผู้ใหญ่ <c oughs> พอมีคุณหมอกลับมาอ๋อนั่นมีคนไข้ พี่ชอบว่าถามมากค่ะคุณหมอเออโอ๋งั้น ก็จะมาไม่ทันซะแล้วสิวันนี้ทําไมกลับบ้านไวกว่าทุกวัน น้องสาวของหมออาการไม่ค่อยดี ใส่เป็นเพราะอืมมาข้ามคุกทิธานเข้าไปอ่ะค่ะตอนนี้ แหมพี่ว่า คลายกำแพงใจให้บริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนผู้เลิกยาเสพติดถ้าเขา ผู้แสดงมีดังต่อไปนี้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธิพัฒนะบินดาเกษตรีเปรมกมลโชติกาเสถียรธีระบุญญฤทธิ์วรการ และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์สนธนาศาสาควบคุมเสียงอาทร Thank you.